ที่อาศัยอยู่รายรอบวัดมีฐานะยากจนพวกเด็กๆที่เป็นลูกหลานเมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่สีแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อทั้งนี้เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีเงินส่งเสียสมภารวัดป่ามะม่วงคิดอยู่หลายปีว่าจะช่วยส่งเคราะห์พวกเขาอย่างไรการเป็นสมภารเจ้าวัดใช่จะสุขสบายเพราะต้องคอยดูแลรับผิดชอบปากท้องของลูกวัด ซึ่งมีทั้งพระเนนแม่ชีและเด็กชายอีกสามคนเนื่องจากสมภารท่านเป็นพระนักพัฒนาได้ทำการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจอย่างไม่หยุดยัง้งวัดป่ามะม่วงจึงเจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับเมื่อวัดเจริญท่านก็หันไปสนใจชาวบา้านต้องการให้พวกเขาได้มีอาชีพนึกถึงวัดหนองโพ ที่หลวงพ่อเดิมและเจ้าอาวาสองค์ก่อนๆท่านใช้วัดเป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้แก่ลูกชาวบ้านมีการสอนด้านศิลปะการแสดงเช่นมวยไทยรำดาบกระบีกระบองลำตัดลิเกซึ่งเด็กๆที่มาเรียนนำไปยึดเป็นอาชีพได้ครั้นมาสมัยนี้อาชีพดังกล่าวลดความสำคัญลงท่านจึงไม่คิดที่จะชอน ท่านจึงไม่คิดที่จะสอนวิชาเหล่านี้ในวัดป่ามะม่วงหากก็ยังคิดไม่ออกว่าจะสอนอะไรวันหนึ่งพวกลูกศิษย์ที่เป็นอาจารย์โรงเรียนอาชีวะศึกษาได้มากราบเยี่ยมเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงถือโอกาสปรึกษาเรื่องนี้กับพวกเขาอาตมาคิดมานาน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 หนูสนับสนุนค่าหลวงพ่อหนูก็จะมาช่วยสอนพอดีทางกรมอาชีวะเขามีนโยบายสนับสนุนการเปิดโรงเรียนฝึกอาชีพเคลื่อนที่เปิดสอนในวัดเหมาะที่สุดหนูจะช่วยเรียนท่านผ อ, อให้ติดต่อไปทางกรมให้อาจารย์หญิงเห็นด้วยแหมดีจริงอาตมาขออนุโมทนาอาจารย์จะได้บุญได้กุศลมากทีเดียว ถ้าเช่นนั้นขอความกรุณาเรียนผ อ, อ, อให้ดำเนินการด้วยสมภารกล่าวอย่างยินดี <ian moisturizer> เดือนต่อมาวัดป่ามะม่วงก็กลายเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพเคลื่อนที่มีสอนตัดผมตัดเสื้อมีนักเรียนรุ่นสาวมาเรียนประมาณ20สบคนเด็กหนุ่ม มาเรียนตัดผมชายเจ็ดคนแผนกตัดผมใช้เวลาเรียนสามเดือนแผนกเสื้อผ้าใช้เวลาเรียนหเดือนเมื่อจบรุ่นหนึ่งก็รับรุ่นสองรุ่นสาต่อไปเรื่อยๆครั้นเรียนจบแล้วสมภารยังช่วยหางานให้ทำกล่าวคือเมื่อมีญาติโยมมาจากกรุงเทพมหานครท่านก็จะฝากฝังลูกศิษย์ให้ไปทำงานด้วยลูกศิษย์ของท่าน เมื่อเรียนจบหลักสูตรต้องเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอีกเจวันจึงจะถือว่าจบอย่างสมบูรณ์เมื่อไปทำงานจึงมีเมื่อไปทางานจึงเป็นผู้มีคุณธรรมซื่อสัตย์ตั้งใจทำงานไม่เกียจคร้านหญิงสาว20คนที่จบรุ่นแรกประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย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 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัติจากพระเจริญจึงเป็นท่านพระครูเจริญมาตั้งแต่บัตรนั้นวันที่27มีนาคมหลังจากฉันพัะตาหารเช้าแล้วท่านพระครูจึงเดินไปที่ศาลาการประเรียนเพื่อสอนวิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่ญาติโยมขณะที่ท่านกำลังขึ้นบันไดศ า, าลาก็ได้ยินเสียงดังกล้องอยู่กลางหน้าผาอากาศพระคุณเจ้ากระผมข อ, อนมัสการลาวันนี้เวลาก้านาฬิกา45สบห้านาทีกระผมจะขอลาต้นพิกุลจะโค่นลงมา สมภารวัดป่ามะม่วงมองหาที่มาของเสียงก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดยอยู่ณที่นั้นพลันจิตก็คิดไปถึงเทวพยดาที่สิงสถิตยอยู่บนต้นพิกุลเสียงเทวดานั่นเองท่านคิดตามองออกไปยังต้นพิกุลลำต้นสูงใหญ่ออกอย่างนั้นหากโค่นลงมาคงทับหลังคาโบสถ์พังแน่จึงพูดออกไปว่า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 ขอกราบขอบพระคุณที่ได้ให้อาศัยอยู่ณที่แห่งนี้เป็นเวลาถึงร้อยปีของโลกมนุษย์ซึ่งเท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของสวรรค์แสดงว่าท่านมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะในคำพีบอกไว้ว่าร้อยปีของโลกมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึง ท่านอ้างคมภีผูกแล้วขอรับกระผมอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงถูกองค์อินลงโทษเพราะผิดประเวณีกับนางฟ้าบัดนี้กระผมพ้นโทษแล้วจึงขอนมัสการลาโปรดอย่าลืมที่กระผมเคยกราบเรียนไว้ปี2515พระคุณเจ้า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 ต้องขออภัยที่ไม่ได้ปรากฏตัวให้พระคุณเจ้าเห็นนิมนต์พระคุณเจ้าไปสอนกรรมฐานให้ญาติโยมเถอะขอรับขอให้โชคดีนะว่างๆก็ลงมาคุยกันบ้างอาตมาอยากรู้ว่าสวรรค์เป็นอย่างไรเพราะยังไม่เคยไปตายแล้ว ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่ากลัวแต่จะต้องไปตกนรกพระคุณเจ้าจะไม่ได้ไปทั้งสวรรค์และนรกเพราะพระคุณเจ้ามีคุณธรรมสูงเกินกว่าที่จะเกิดเป็นเทพพ ย, ยดาจิตของพระคุณเจ้าพ้นแล้วจากนรกและสวรรค์มีที่หมายอย่างเดียว คือพระนิพพานกระผมขออนุโมทนาที่พระคุณเจ้าจะได้ตัดขาดจากวัตตะสงสารส่วนกระผมยังคงต้องเวียนว่ายอยู่อีกนานโชคดีที่ได้มาอยู่วัดนี้เพราะทำให้กระผมเกิดความเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดเป็นทุกข์ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเกิดเป็นมนุษย์ก็ทุกข์อย่างมนุษย์เป็นเทวดาก็ทุกข์อย่างเทวดายิ่งถ้าเกิดเป็นสัตว์นรกก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกกระผมสงสารคนที่ทำชั่วประพฤติผิดศีลธรรมเขาคงไม่รู้ว่า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 นางโถถามขึ้นอาตามาคุยกับเทวดาโยมไม่ได้ยินกันหรอกหรือเขาพูดเสียงดังก้องไปทั่วบริเวณไม่ได้ยินครับได้ยินแต่เสียงหลวงพ่ออุบาสกคนหนึ่งตอบและได้และได้เสียงสนับสนุนจากคนอื่นๆอ้อาว งั้นเทวดาก็แกล้งอาตมานะสิแล้วกันแบบนี้ใครมาเห็นเข้าก็จะหาว่าอาตมาเพี้ยนท่านบ่นเทวดาคุยอะไรกับท่านสมพันธุ์หรือจ๊ะนางโถถามอีกเข้ามาบอกว่าจะกลับเมืองสวรรค์เวลาเก้านาฬิกา45นาที เขามาอยู่ที่ต้นพิกุลครบร้อยปีแล้วอยู่มาตั้งแต่ก่อนพวกเราเกิดวันนี้ครบร้อยปีเขาจึงขอลา ก, กลับไปเมืองสวรรค์งั้นก็จวนแล้วสิครับนี่9 0้าโมงแล้วอุบาสกก้มดูนาฬิกาข้อมือขณะนั้นเวลาก้านาฬิกายังเหลืออีก4 5นาทีเอาละ สอบอารมณ์กันก่อนแล้วค่อยออกไปยืนดูต้นพิกุลเทวดาบอกว่าพอเข้าไปต้นพิกุลจะโค่นลงมาจากนั้นท่านพระครูจึงเริ่มสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมซึ่งมีประมาณ30สคนส่วนใหญ่เป็นโยมผู้หญิงโยมผู้ชายไม่ค่อยชอบมาวัดเพราะเอาเวลาไปกินเหล้าเจ้าชู้กันเสียมากกว่าเวลาไปตกนรก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 ก็โค่นลงมาเสียงดังสนั่นวันไหวความสูงของต้นยาวไปถึงโบสถ์ท่านพระครูใจหายใจคว่าเมืม่อลำต้นขนาดใหญ่เอ็นลงมาตรงหลังคาโบสถ์ครั้นจวนถึงกลับเบี่ยงหลบเหมือนมีมือมหึมาผลักออกไปลำต้นจึงล้มฟาดไปทับกำแพงแก้วพังไปแถบหนึ่งกระนั้นก็เสียหายไม่มากนะัก แต่ถ้าเป็นหลังคาโบทย่อมหมายถึงโบดพังทั้งหลังขอบใจมากขอบใจที่ไม่ทำให้โบดพังท่านพระครูพูดขึ้นหลวงพ่อขอบใจเทวดาหรือครับอุบาสกถามถูกแล้วอาตมาใจหายหมดนึกว่าโบดพังแน่คราวนี้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 ขีดขวางทางเดินวันรุ่งขึ้นท่านพระครูจึงไปขอแรงพวกชาวบ้านให้มาช่วยกันตัดลำต้นและกิ่งก้านพิกุลใหญ่ต้นนั้นชาวบ้านเมื่อทราบว่าต้นพิกุลเคยเป็นที่สิงสถิตของเทวดา<ม>ก็พากันหยิบติดไม้ติดมือ กลับไปบ้านตนคนละท่อนสองท่อนไม่เหลือให้ท่านพระครูเอาไว้ดูต่างหน้าแม้แต่ท่อนเดียวสงเคราะห์พวกเด็กๆให้มีอาชีพเลี้ยงตัวได้ท่านพระครูก็คิดจะสงเคราะห์คนเฒ่าคนแก่ผู้หมดเรี่ยวหมดแรงที่จะทำมาหากินต้องอาศัยลูกหลานเลี้ยงดูท่านคิดด้วยเมตตาว่าคนเหล่านี้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 อาตมาอยากจะสงเคราะห์คนเฒ่าคนแก่ใครมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ทำงานไม่ได้แล้วก็ขอให้พามาเข้ากรรมฐานจะงดสอนญาติโยมสักระยะหนึ่งขอให้กลับไปปฏิบัติที่บ้านมีอะไรข้องใจก็มาถามได้อาตมาจะใช้สาลา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 ใครมีพ่อแม่ที่แก่เท่าก็พามานะให้กินนอนอยู่ที่วัดนี่แหละจะได้ไม่ลําบากลูกหลานมารับมาส่งอาตมาจะให้พวกแม่ทีเขาช่วยทำอาหารเลี้ยงเจ็ดวันไปแล้วค่อยมารับกลับบ้านวันรุ่งขึ้นมีผู้สูงอายุมาเข้าปฏิบัติ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 ท่านพระครูสอนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งยีสิบคนอย่างตั้งอกตั้งใจกระนั้นการสอนก็ไม่ได้เป็นไปด้วยความราบรื่นเพราะคนแก่ความจำเสื่อมจดจำอะไรไม่ค่อยได้แม้จะอธิบายแจกแจงอย่างละเอียดแล้วก็ตามกว่าจะผ่านการอธิบายภาคฤษีท่านพระครูก็เหนื่อยแทบขาดใจคลั้นมาถึงการเดินจงกรมก็มีอุปสรรคอีก เพราะคนแก่เวลาเดินขาสัน่นบางคนก็ไม่มีเรี่ยวแรงท่านต้องอนุญาตให้เดินเกาะข้างฝาได้เดินจงกรมครบส0นาทีแล้วก็เป็นการสอนนั่งเมื่ออธิบายวิธีนั่งจนเป็นที่เข้าใจกันแล้วท่านพระครูจึงให้นั่งเป็นเวลาส0สนาทีให้เดินและนั่งสลับกันไปอย่างละส0สนาที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 การปฏิบัติในช่วงบ่ายยิ่งมีอุปสรรคกว่าช่วงศะการปฏิบัติในช่วงบ่ายยิ่งมีอุปสรรคกว่าช่วงเช้าทั้งนี้เพราะผู้ปฏิบัติมีอาการง่วงเหงาหาวนอนเมื่อรู้ว่าจะไม่ได้รับประทานอาหารมื้อเย็นเพราะถือศีลแปดบรรด า, อ, าอุบาสิกาผู้สูงอายุทั้งย0สิบจึงพากันรับประทานอาหารเสียจนอิ่มแปร่ในว่า เือมื้อเย็นด้วยครั้นท้องอิ่มเกินไปไฟธาตุย่อยไม่ทันจึงทำให้อึดอัดและง่วงนอนเมื่อนั่งภาวนาจึงพากันหลับสะประงกตัวโยกไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างท่านพระครูนั่งดูอย่างนึกปรงอนิจจังเกิดลังเลใจว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่นี้จะได้บุญหรือได้บาปกันแน่หนอหากพวกเขาพา ก, กันคิดว่า ท่านเอาคนหากพวกเขาหากพวกเขาพากันคิดว่าท่านเอาคนแก่มาทรมานทรกรรมก็แปลว่าท่านบาปเพราะจะกลายเป็นว่าท่านทำคุณได้โทษโปรดสัตว์ได้บาปยิ่งมองดูพวกเขาก็ยิ่งหลังเลใจดูเอาเถิดบางคนนั่งหลับน้ำลายไหล ย, ยืดย้อยลงมาที่ตักบางคนก็ส่งเสียงกรน ดังเหมือนเสียงเรือไอ้น้ำครั้นนั่งครบสามสิบนาทีท่านจึงไม่ปลุกให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมให้คนหลับต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงจะได้มีแรงมาเดินคิดดังนี้แล้วท่านจึงนั่งหลับตากำหนดจิตว่าเมื่อได้เวลาขอให้รู้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 จึงบอกให้ลุกขึ้นเดินจงกรมเดินจงกรมเดินครบส0สิบนาทีแล้วจึงนั่งและท่านก็นั่งด้วยส0สิบนาทีให้หลังท่านกำหนดลืมตาคราวนี้เหลืออยู่ห้าคนจึงพูดให้กำลังใจกับคนที่เหลืออยู่ห้าคนนั้นว่าโยมไม่ต้องไปสนใจนะใครเขาจะไปก็ช่างเขาคนมีบุญเท่านั้น ถึงจะปฏิบัติได้พวกที่หนีไปเป็นพวกไร้บุญไร้วาสนาท่านคิดว่าคราวนี้คงทำให้คนที่อยู่มีกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อหากก็ผิดคาดเพราะหลังจากให้เดินจงกรม30นาทีและให้นั่ง30นาทีพอท่านลืมตาก็เห็นแต่เสาศาลาไม่มีคนเท่าคนแก่ เหลือว่าให้สอนแม้แต่คนเดียวภิกษุวัวสามสิบเศษรำพึงกับตัวเองว่าถ้าเรานั่งสอนเสาสาลาใครมาเห็นเข้าก็ต้องคิดว่าเราบ้าพระครูเจริญจะเป็นบ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเราไม่สอนคนแก่ก็ได้คนแก่